พระธรรมเทศนาลำดับที่14โดยหลวงพ่ออินทไวสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีชื่อเรื่องว่าอดนอนผ่อนอาหารเพื่อดูใจหลวงพ่อเองเพียงแต่เน้นหนักบางจุดที่ที่หลวงพ่อเข้าใจที่หลวงพ่อฟังและเข้าใจแล้วก็ถึงใจในแนวทางขององค์หลวงตาพาดำเนินมาอย่างไร หลวงพ่อก็จับเพียงจุดท่านไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะจับมาทุกจุดเพียงแต่มาเน้นเพื่อการศึกษาเพื่อการรู้ของผู้ที่เข้ามาศึกษาก็ามาใกล้หลวงพ่อจุดนี้นะอย่างที่หลวงพ่อเคยบอกหลุงพ่อได้ปฏิบัติเวลาอดอาหารก่อนที่จะอดอาหารก็ต้องตั้งใจไว้วัน เราจะอดอาหารคือมีความตั้งใจไว้ก่อนไม่ใช่พอมัวเมียขึ้นมาที่จะอดวันไหนก็อดนอนตื่นสายมาแล้วอดอาหารต่อไม่ใช่อย่างนั้นใครแค่ว่าไม่มีหลักการผู้ที่จะอดอาหารต้องตั้งใจไว้ก่อนว่าช่วงนี้สมัยที่อยู่วัดป่าบ้านตาดพระน้อยสมัยนั้นเวลาอดอาหารเราก็ต้องมองดูกันก่อนว่าองค์ไหนบ้างที่อดอาหาร ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างอดจนทําให้พ่อแม่กูบายจาย์หนักใจไม่มีใครจัดเรื่องเอาหงอาหารตอนเช้าหรือว่าไม่มีใครใครทํากิจจวัดก็ต้องบอกกันก่อนว่าใครจโจดอาหารต้องถามไทยในวงนี้ช่วงที่ผมโจดอาหารนะก็จะเป็นที่รู้กันว่าในกลุ่มองค์ไหนจะรับผิดชอบอย่างไงจุดไหนอันนั้นพระอย่างน้อยสมัยนภาเพียง 1 5 1หองค์เองที่หลวงพ่อจำพรษาปี2512ถึงสอง5ัยห้าแต่พอช่วงหลังๆนี่ก็ประมาณขึ้นไป 21-22 องค์แต่ปีออกจริงๆปรว่ามากสุดในปี25ที่หลวงพ่อออกมาพระทั้งหมด25องค์หลวงพ่อจำไม่ลืมเพราะปี25หพระย5่้าปีนั้นเป็นว่ามากที่หลวงพ่อออกมา นอกจากนั้นก็มีแต่สิบหกสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดยี่สิบยี่สิบเอ็ดเป็นอย่างมากที่สุดคือหลวงตาท่านไม่รับพระมากแต่ในเวลาจะอดอาหารเราก็ในในเกือบจะบอกวัวแถวนอกจากหลวงปูบ่บญมีหลวงปู่บญมีก็หลวงปูล่ลีแล้วก็หลวงพ่อนั่งองค์ที่สามหรือมากแค่นั่งองค์ที่สา ม, ม, ม, างงสามต่อมาหลวงปู่ลีไม่อยู่ก็นั่งองค์ที่สอง ต่อมาอีกหลวงปู่บุญมีออกไปอีกหลวงพ่อนั่งองค์ที่หนึ่งสมัยนั้นพระไม่มากแล้วก็ท่านปัญญาท่านเชอรี่นั่งร้องจากหลวงพ่อลงไปพอท่านบวชทีหลังหลวงพ่อนี่บวชปีเดียวกันกับท่านปัญญาท่านเชอรี่แต่ท่านบวชเดือนหกเดือนพ่อหลวงพ่อเนี่บวชเดือนสามก่อน ตรงพ่อแก่กว่าสามเดือนแก่กว่าพระท่านพ ญ, ญาวุฒโธกับท่านพระอาจารย์เชอรี่เพราะนั้นหลวงพ่อนั่งก่อนแต่พรรษาปีเดียวกันนี่แหละอันนี้คือสมัยอยู่วัดป่าบ้านตาดเวลาจะอดอาหารเราก็ต้องได้บอกกับพวกพระที่เกี่ยวข้องคือผมจะอดอาหารในช่วงนี้นะแต่เราก็ไม่ได้กําหนดว่าการอดอาหารเป็นที่เป็นที่รู้กัน ว่าการอดอาหารก็คือเป็นการทำความภาคเพียนแบบอุกฤษแต่ว่าเมื่ออดอาหารไปแล้วเนะ่ยเราต้องดูดูสถานการณ์ในการอดแต่ละครั้งถ้าอดเข้าไปคราวนี้รู้สึกว่ามันปูงฟุง้งมันเอาไม่อยู่ใหม่ๆโดโดยมากจะเป็นอย่างนั้นต้องถอยก่อนถอยทับจะไปฝืนสู้ถ้าศูนฝืนสู้เนะี่ยเผอจะเป็นบ้าเอาไรง่ายๆเหมือนกันนะมันเอาไม่อยู่ เราต้องถอยก่อนต้องถอยกระต่างท่ามา่เอาเข้าอีกแต่ว่าพวกช่วงหลางๆไม่มีปัญหาเพราะมันเคยมาแล้วไม่มีปัญหาเราจะอดยังไงเราก็อดได้ต้องดูสุขภาพตนเองบางทีมันก็เป็นเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกับรถเนี่ยเราจะต้องวิ่งถึงกรุงเทพให้ได้วันที่เท่านี้แต่ที่ไหนได้พอไปถึงแถบโคราชแต่เนีย่ยางมันแตกแล้ว เครื่องมันชำรุดนะแต่ใจเราจะจะถึงกรุงเทพจะทำไงเราไปตั้งสัจจะอย่างนั้นไม่ได้เราจะต้องพยายามให้ตีที่สุดกว่าจะถึงกรุงเทพนี่ก็เหมือนกันเราจะอดอาหารอยู่ในใจถ้าไม่มีอะไรเราจะอดสักเจ็ดวันหรือสิบห้าวันเราก็ตั้งใจหรือสามวันห้าวันเราก็ว่าแต่ถ้าเราตั้งไปตั้งสัจจะก่อนบางทีเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเราสุขภาพของเราแย่ ดวยใจของเราเอาไม่อยู่ฟุง้งเราก็พยายามทูซีอยู่อย่างนั้นใจของเราก็ยิ่งตกมันก็ไม่เป็นผลดีสำหรับตัวของเราเองอันนี้เราก็ต้องดูตัวของเราพร้อมขนาดไหนที่เราจะปฏิบัติในครั้งนี้จากทางเราของอดอาหารล้วก็เตรียมน้าเตรียมท่าไว้ที่กุฏิจากนั้นก็อดพ่ออด อาหารเนะี่ยเราก็ตั้งจิตตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานไว้เลยวา่าข้าพเจ้าจะพยายามให้สติอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดจะไม่ให้มันเผลออันนี้นหะ่ะคือจุดนี้แนหะจุดที่สำคัญเพราะเราจะต่อสู้กับอารมณ์ทางด้านจิตใจของเรานอะ่จากนั้นเราก็ตั้งจิตอธิษฐานในใจเสร็จแล้วด้วยความมุ่งมั่นเสร็จแล้วกันนะเวลาเดินออกจากกุฏิล้วก็มีสติอยู่กับตัวเอง ขาขวาพูดขาซ้ายโทรไปเลยปัดกวาดกับพูดโทรนั่งอยู่ที่ไหนก็พูดโทรพยายามบังคับให้ใจอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดก็อยู่ตามลาพังไม่ได้ออกไปยุ่งกับภายนอกอะไรเลจากนั้นก็เดินไปที่ไหนก็มีแต่สติกับตัวเองอยู่ตลอดผล ท, ที่สุดมันกับเคลื่อนเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนถึงหมดสติกับจิต อยู่ในควบคุมกันอยู่นะจิตคิดยังไงสติควบคุมอยู่ตลอดดูว่าเราคิดเรื่องอะไรอ่าวันโอ้โหนี่นะว่าท่านว่าจิตสงบเพียงแค่นี้ก็มีความสุขดูมันมีความสุขจริงๆนะไ เ, เวลาเราอดอาหารเราไม่ได้คิดถึงความเอาหงอาหารหิวโหวยมันไม่มีน ะ, ะแต่พออดไดหลายวันก็ เ, เหนื่อย ตอนนี้พอจิตมันรวมรว ม, รวมรวมรวมรวมเข้าไปมันอยู่มันอยู่คล้ายๆว่นมันอยู่เน่งรู้อลไวว่คิดเรื่องอะไรมันไม่ส่งออกไปทางหูทางตาทางอื่นเลยมีแต่ว่าดูจิตกับจิตมันควบคุมกันอยู่แต่ไม่ถึง ส, สัก ส, ส, สงบนะไม่ถึงกับอัปปนาสมาธิจะเป็นขั้นอุปจาระนะถ้าจะเปรียบเทียบนะจากนั้นก็พอจิตมันอยู่รวมรวม เราเนี่ยพิจารณาอะไรเราทำอะไรเรารู้หมดมันเหมือนกับตัวเองเฝ้าบ้านอยู่ตลอดเวลาลักษณะอย่างนั้นนะ่ะแต่ก่อนเนี่ยเราเผลอไผใช่ไหมอยู่ในบ้านก็จริงยุ่นน่นออกไปเที่ยวนอกบ้านทะเละไรายไม่ได้ไม่ได้ดูบ้านตัวเองแต่ว่าสมาธิจุดนั้นเหมือนกับเรานั่งอยู่ในบ้านหมูหมากาไก่อะไรคู่คนเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะมองเห็นอยู่ตลอดเวลา อันนี้ก็คือจิตในช่วงนั้นแต่ไม่ถึงกับนอนไม่ถึงกับนอนสงบนอนนิ่งอยู่ในห้องไม่ใช่ท้า น, นิ่งอยู่ในห้องคลๆก่านอนหลับหรือว่าไม่สนใจอะไรเลยอันนั้นบอกขั้นเป็นอับปนาสมาธิแต่อันนี้อุปจารสมาธิเนะี่ยเหมือนกับเราอยู่ในบ้านแต่เรารู้แต่เราไม่ได้ออกไปข้างนอกเอารับรู้เรื่องทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดที่มาเกี่ยวข้องกับร่างกายแต่ใจของเราไม่ได้ส่งออกไปไม่ได้ตามออกไป นี่แหละจุดนั้นน่ะที่เราดูได้ว่าโอ้จิตจิตมันอยู่กับตัวเองนึกว่าจิตอยู่ฮะอจิตอยู่ไม่ใช่จิตสงบจิตอยู่ะจิตอยู่กับร่างกายเนี่ยสติควบคุมจิตอยู่ะออจากนั้นพอคิดว่าเออสมควรละจะออกแล้วพอคิดว่าจะออกเท่านั้นมันขยับออกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยือยห่างออกห่างออกห่างออกจนจิตใจเป็นปกติ เราก็ยังจำไม่ลืมไปทั่งทุกวันนี้เหมือนกันนี่แหละจิตประเภทนั้นจิตที่เป็นอุปจารสมาธิจิตที่อยู่สติควบคุมจิตนี่แหละการอดอาหาร ม, มัต้องมีต้องมีสัตว์จริงต้องมีความสัต ต, ตั้งสัตจจะในจริงใจไม่ใช่อดไปเรื่อยๆแต่บางครั้งเห็นหมูพวกอดหมูพวกเพื่อนอดอดไปเรื่อยไปหาคุยกันไปเรื่อย เออแล้วเหยไปเรื่อยไม่รู้จะอดทำไมอดให้หิวเฉยๆต้องอดก็ต้องจริงจังและจริงใจในการอดแล้วก็ตั้งอกตั้งใจภาวนาการอด เ, เพื่ออะไรในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านเคยอดพระกายอาหารถึงสี่สิบเก้าวันทำไมหลวงตามหาบุญทำไมจึงสั่งสอนให้สิทในอดอาหารมันจะไม่เข้าข่ายที่ว่าอตตกีรปัตฐานุโยกหรอ อันนี้ก็มีคนสงสัยและถามเหมือนกันแต่ตามไม่จริงเราต้องรู้พระพุทธเจนะ้าเนี่ยท่านอดพระกายารเานะี่ยอดเพื่ออะไรนะเราต้องรู้เจตนารมณ์ของพระองค์พระองค์ทดลองอะไรหลายๆอย่างบำเพ็ญมาตั้งหลายอย่างบำเพ็ญแบบชีปงชีปเปื่อยแบบนิกายต่างๆศาสานาต่างๆในยุคนั้นพระพุทธองค์ลองทดลอง แต่เนี่พระองค์ราดลองเลที่ศาสนาอื่นเขาอดอาหารจนหิวโชกหิวโชฉหิวโชนะเราก็จะอดดูสิเปไ็นไงพระพุทธองค์เขอดถึงสี่สิบเก้าวันพระพุทธองค์บอกว่าการอดของเราเนี่ยเหยีบยบเหยียบเช่นแดงถ้าข้ามไปไปว่าตายธาตุขันอยู่ไม่ได้แนะ่ทั้งเกินกว่านั้นไปอันนี้ต้องท่านถอยกลับแต่ว่าถ้าเกินกว่านั้นไปว่าตาย แต่ดูจิตใจแล้วไม่มีอะไรเจริญก้าวหน้ามันยังถึงยังไงมันก็นยังมีอยู่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ร่างกายตนเองมันเปลี่ยนแปลงพรงก็กลับมาสวพยพระกายหาระนี่แหละอันนี้ท่านบอกกัอาการอดพระกาหารไม่มีประโยชน์เพราะทัดอดเฉยแต่หลวงตามหาบัวท่านท่านดูท่านบอกว่าการฉันอาหารของพวกเราเนี่ยถ้าฉันอาหารทุกปีทุกวัน ร่างกายมันมันเป็นส่วนหนึ่งคือธาตุขันมันมีกําลังพอมีกําลังแล้วมันไปออกไปทางกิเลสตามมาลาคะเหมือนกับช้างจะตกมันลักษณะอย่างนั้นเหมือนเราเลี้ยงช้างอาหารดีๆมีตการอาหารดีๆให้ช้างกินพอช้างกินอาหารดีๆแล้วมันไม่เป็นผลเลยมันจะคาดมันจะฆ้าวเจ้าของน่ะเพราะอะไรเพราะช้างมันตกมันมันลืมตัวเองเพราะฉนั้นต้องผ่อน อย่าให้มันอย่าให้มันเกินไปต้องบังคับให้มันอยู่ในกรอบในเมื่อเราอยู่ในกรอบมันไม่เกินไปสําหรับเราอดอาหารมันก็ลังลังอยู่เใจกับกายเนี่ยมันมันบังคับกันได้แต่ถ้าว่าเราเสริมทางอาหารทางกายมากเกินไปอาหารทางกายมันมีกําลังมากเกินไปใจของเราลังไม่อยู่เพราะดันั้นถึงจะให นอนผ่อนอาหารทดลองนึกอดอาหารวันหนึ่งเป็นยังไงสองวันเป็นยังไงสามวันเป็นยังไงเวลาอดก็ให้สังเกตตนเองถ้าว่าเราอดแล้วเป็นยังไงใจของเราเป็นยังไงแต่ครูบาอาจารย์บางองค์ก็ไม่ถูกกับจริตเหมือนกันอย่างหลวงปู่ขาวหลวงปู่ขาวท่านว่าไม่ได้เราอดอาหารเพราออดอ่อพออดอาหารคุณ ม, มันหิวคุณมาเลยมันเบอร์ไปหมดเลย คิดอะไรไม่ออกคิดอะไรไม่ออกเราอดอาหารออถ้าพอรอนพอไหวเราต้องผ่อนเราอดไม่ได้ถ้าหิวอาหารไม่มีอยู่ในท้องวันสองสามวันเนี่ยมันคิดอะไรไม่ออกมันเบอร์ไปหมดเลยอะนนี้ก็คือไม่ถูกกับจริตแต่นี้อย่างหลวงตามหาบัวท่านบอกวา่าแต่หลวงขาวถูกกับจิตในการอดนอนเการอดนอนรู้สึกว่าเออ กรปี้กระเป๋ารู้สึกว่าคิดอะไรค่องแข่วไม่นอนทั้งคืนอดอดนอนภาวนาสู้ในการอดนอนเดินโงกมนั่งภาวนาไม่ง่วงไม่งอกไม่งวม่งวงวอันนั้นก็ถูกกจิจลิตของท่านในการอดนอนแต่ลงตามหาบัวเนี่ยท่านบอกว่าอดนอนโอ้ไม่ไหวแต่อดอาหารรู้สึกว่ามันอดนอนไปในตัวเพราะมีไม่มีอาหารอยู่ในท้องน่ย ความโงกห่วงก็ไม่มีรู้สึกว่าจิตใจมันตั้งมัน่นจิตใจเป็นสมาธิได้ดีนี่แหละอันนี้ก็คือถูกกับเจริตของหลวงตาแต่พ่อหนะุ่ท่านจึงสอนท่านเหมือนกับนายทับนายกองหรือว่าพ่อค้าใหญ่ท่านทํามาค้าขายอันไหนได้กําไรท่านก็พยายามแนะนําลูกน้องลูกหลานของท่านเออการทํามาค้าขายต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะที่เราได้ ร่ำรวยคือมาเนี่ยเราทำอย่างนี้นะครูบาอาจารย์แต่ละองค์ที่ท่านได้หลั ก, กจิตหลักใจหรือได้หลักธรรมะท่านก็ต้องชี้นำแนวแนวแถวของท่านเหมือนกันเพราะนั้นเราอย่าประมาทว่าองค์นั้นเทศอย่างนั้นองค์นั้นพูดอย่างนี้เพราะว่าท่านเหมือนกับพ่อค้าใหญ่บางทีท่านก็ขายน้ำมันจนรวยบางทีก็ค้าขายรถจนรวยบางทีก็ค้าขายอะไหล่รถจนรวย บางทีก็เป็นหมอจนรวยไงบางทีก็เป็นพ่อค้าวานิชจนรวยแต่ละรวยแต่ละครั้งท่านก็รู้จักแนวแถวของท่านท่านจะไปรู้หมดทุกอย่างก็ไม่ได้เพราะเป็นวิสัยของสาวกไม่ใช่พุท ธ, ธถ้าพระพุทธเจ้าท่านรู้หมด เ, เรื่องไหนต่อเรื่องไหนแต่สาวกนี่จะรู้เป็นเรื่องราวที่ตัวเองได้ผ่านมาและขอแนะนาสั่งสอนลูกจิต ล, ลูกหายจิตญาณุจิ์ของตนเอง นี่แหละครูบาอาจารย์แต่และองค์ท่านจึงอพวกเราได้อ่านได้ในธรรมเลขิตของท่าน่พวกเราจะพอจะรู้ได้ถ้าสังเกตนะเนี่ยลงตามหาธบัวท่านก็นสอนอย่างนั้นสาหรับลุงพ่อนะ่ะลวงพ่อมีอะไรลูกพ่อก็ทดลองดูในการอดนอนอทดลองอดนอนไ ด, ออดนน้สามวันโอ้แผ่นดินเหลืองไปหมดเลยไม่ไหวอีกเหมือนกันนะอดนอนมันเบอร์พอนั่งไปที่ไหนมันสับพองหงอกงอกกันไปหมดเลยนั่งที่ไหนก็หลับไม่ได้เรือง โอ้อดนอนพราอดอาหารพราะอดอาหารวันหนึ่งสองวันพอถึงวันที่สามเนี่นมันนอนไม่หลับเลยตัวเองรู้สึกว่าสติอยู่กับตัวเองสตีดีขึ้นทันทีเนะยเอออันนี้เราคงจะถูกเจริญกับการอดอาหาร น, นี่แหละให้สังเกตตัวเองเหมือนกับไปเราทํามาค้าขายนะเท่าคนหนึ่งเขาทํามาค้าขายแล้วเขารวยเอารวยเอาแต่ตัวเองพอทํามาค้าขายจนลงจนลงเนี่ยแสดงว่าเรามันขาดอะไร เราขาดอะไรหรืออาจจะไม่ถูกกับจิิตของเราที่จะมานั่งเฝ้าอยู่อย่างนี้เราควรจะทาํามาค้าขายอีกอย่างอื่นอย่างนี้เป็นตน้นแต่ถึงยังไงทาํามาค้าขายยังไงก็เจนลงทุกอย่างแสดงว่าเราต้องพิจารณาตัวเองนะ่ะเรานะขี้เกียจหรือเปล่ากิเลสของเราตัวไหนที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยมันทำไมยังเป็นอย่างนี้ฮไม่ใช่ว่าตัวไหนก็นจับไม่ได้ทุกตัว ขี่เชาวไปหมดอันนั้นแปลว่าตัวเองไม่ได้เรื่อกไปอยู่กับกองเงินกองทองกับไปเขี่ยเงินทองเล่นอยู่ไม่รู้จักเก็บหอมรอมริบไม่ได้จัดหาสมบัติเข้าสู่ตนเองคนประเภทอย่างนั้นเไปเป็นยังไงถ้าไม่ว่าโง่ไห ว, วเซอร์เสอย่างอันนี้ก็พุทธศาสนา ร, รคำคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันเข้ามาขุดทองเข้ามาศึกษาเข้ามาค้นคว้า เขามาปฏิบัติแต่ตัวเองไม่ได้สนใจไม่ให้ความสนใจก็จะไปเห็นรู้จริงสมาธิเป็นยังไงสมถะคณิกาอุปจาระอ ป, ปนาสมาธิเป็นยังไงวิปัสสนาเป็นยังไงพวกเราก็คงจะไม่รู้เหมือนกันเพราะนั้นเราต้องศึกษาศึกษาแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาดำเนินมาอย่างไรเหนไว้ให้อดอาหารทำไมให้อด เพราะว่าถาตขันร่างกายของเราน่ะมันมีกำลังพอมีกำลังขึ้นมาแล้วมันทับถมทางจิตใจจิตใจเดินไม่ออกก้าวไม่ออกเพราะนั้นเราต้องผ่อนอาหารพออ่อนผอนอาหารเสร็จแล้วเราก็ดูใจของเราทีนีเป็นยังไงสมาธิสติของเราดีไหมในขณะที่เราอดอาหารถ้ามันดีเราก็เล่งาวนาในจุดนั้นดูพิจารณาทาสมาธิให้ได้พอจิตนิ่งออกจากจิตนิ่งกับพิจารณา แยกแยะธาตุขันร่างกายสังขารพอจิตสงบเท่านั้ น, น่ะรู้ได้ด้วยเราเองนะว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยรูปธรรมและนามธรรมเป็นคนละอันกันที่หลงพอพูดแล้วพูดอีกว่าเหมือนกับพรถกับคนขับรถคือจะพูดอย่างอื่นมันก็ไม่ชัดเจนร่างกายเหมือนกับพรถแต่จิตใจของค น, นเหมือนกับคนขับรถใจเหมือนกับคนขับรถแต่เมื่อเราทําจิต เมื่อเราตั้งสมาธิจิตสงบลงไปแล้วเราจะเห็นได้ชัดร่างกายกับใจเนี่ยใจกับกา ย, ยมันไม่แอนไม่อัน่หนึ่งอันเดียวกันแต่รถจะไปได้ก็ต้องอาศัยคนขับรถร่างกายจะขยับไปเยือนแต่คนขับรถนิสัยไม่ดีนิสัยเกเรนิสัยไม่ได้รับการอบรมนิสัยผู้ร้ายนิสัยเห็นแก่ตัวนิสัยอันตรพาลรถคันนี้ก็อันตรพาลไปด้วยเหมือนกัน เพราะเหตุไรเพราะคนขับรถนะเป็นอันธพาลนะแต่ถ้าว่าใจตรงนั้นเป็นบัณฑิตนักปราชญ์เป็นพระพุทธเจา้าเป็นพระหรหัสสาวกมาคลองร่างนี้ร่างนี่เขาเป็นเต็มไปด้วยอัดด้วยธรรมเต็มไปด้วยศีลธรรมไปที่ไหนร่มเย็นเป็นสุขไปหมดเพราะเหตุไรเพราะว่าโซเฟอร์นั้นเขาขับรถนะเป็นคนดีมีคุณธรรมนี่แหละ ในหลักของพุทธศาสนาท่านจึงเน้นว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเศธามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจสมควรอย่างยิ่งพวกเราจะต้องอบรมศีลและธรรมเข้าสู่จิตใจถ้าจิตใจของเรามีศีลมีธรรมแล้วอยู่นสถานที่ใดไปน่าสถานที่ใ ด, ดร่มเย็นเป็นสุขทั้งหมดนะถ้าใจของเรามัได้รับการอบรมไปไหนเดือดร้อนไปหมดเพราะเหตุหลายเพราะใจของเรา ขาดศีลธรรมขาดจริยธรรมไม่มีใจไม่ได้รับการอบรมใจไม่มีศีลไม่มีสมาธิใจไม่มีปัญญาพันธ์ขอให้พวกเราทุกท่านนะทุกหลานทุกคนพระเนนทุกองค์เข้ามาศึกษาหลักของพุทธศาสนาในพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักเรื่องของใจไม่ใช่เน้นหนักเรื่องอย่างอื่นถึงอดอาหารก็ให้ดูใจอดนอนก็ให้ดูใจทําความภาคความเพียรจุดไหนให้ดูใจ เรื่องทานนะอีกอย่างเรื่องทานเออเป็นการเฉลือเผื่อแผ่ถ้าพวกเราอยู่ในชุมชนใดเราก็ต้องมีน้ำใจต้องมีการเฉลือเผื่อแผ่กันถ้าคนขี้ตะนีที่เหนียวไม่มีญาติไม่มีพี่มีน้องมีเพื่อนมีผูงมีพักมีพวกไปที่ไหนเขากลัวไปหมดเพราะอะไรไปที่ไหนจะมีไปกรอบไปโกยไปคดไปโกงของเขามาเพราะอะไรเพราะคนไม่มีการเสียสละเนี่ย ใครๆก็กลัวถ้าคนที่เสียสาลาแล้วไปที่ไหนใครก็อยากจะให้เป็นพี่เป็นน้องเป็นวงสาคานาญาติไปเที่ยงๆก็ยอมรับทั้งหมดทั้งกราบทั้งไหวเห็นไหมหลวงตามหาบัวท่านสงเคราะห์ท่านได้มาเท่าไหร่ท่านช่วยสงเคราะห์โลกขนาดหายใจเหือกสุดท้ายท่านยังเขียนพินัยกรรมอีกว่าเมื่อเราตายไปแล้วเงินพี่น้องประชาชนที่มาถวายในงานฉลิละของเรา ให้นำไปซื้อทองคำเข้าคังหลวงทั้งหมดน่ะเนี่ขนาดใจจะขาดของของท่านครั้งสุดท้ายท่านยังมอบให้เข้าคังหลวงเพื่อพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่านี่แหละการเสียสละขององค์องค์หลวงตาเนะนี่แหละทีนี้ไปที่ไหนใครๆก็กราบไหว้สักการ บ, บูชาถึงท่านจะจากไปจรีละของท่านจากไปพวกเราก็ยังยกมือประนม ไหว่พอระลึกถึงองค์หลวงตาพอได้ยินเสียงหลวงตาให้ผูกสินให้ผนเราก็ยกมือไหว้ท่านเพราะเห็นอะไรเราคิดว่าท่านเป็นผู้มีศีลธรรมจริยธรรมท่านอบรมมาดีแล้วใจของท่านหลุดพ้นจากอาสะวะกิเลสแล้วเยท่านทําอะไรเป็นศินเป็นธรรมทั้งหมดนะนี่แหละอันนี้ก็คือผู้เสียสละไปที่ไหนเสียสละใครๆก็ยอมรับถ้าคนขี้ตณีทีเนี้ยวไปที่ไหนใครก็กลัวนะเห็นไหม จากนั้นก็เป็นผู้มีสินคนที่มีสิลมีกฎมีระเบียบไปที่ไหนก็มีกฎหมายมีศีลธรรมมีสินห้าคุ้มครองไปที่ไหนก็ไม่ทําให้ใครอื่นเดือดร้อนไม่เบียดเบียนใครเพราะจะทาไปแล้วมันสิทผิดศีลถ้าคนอย่างที่องค์ลงตาท่านมีศินด้วยท่านมีทานด้วยมีสินด้วยแล้วก็ท่านมีภาวนาด้วยทั้งสามอย่างท่านไปที่ไหนจริงเป็นที่ยอมรับ เพะนั้นขอให้พวกเราถึงอย่างไรทั้งทังจะไม่ถึงอย่างองค์หลวงตากับพวกเราให้ได้สักครึ่งเชี่ยวเปอร์เซนก็ยังดีหนึ 1, 2, ่งสองเปเซก็ยิ่งดีถ้าได้มาก50อร์ซก็ยิ่งดีมากท่านได้อย่างองตาแล้วกว็ดีมากมากดีเลิศประเสริฐทุกอย่าง เ, เพราะนั้นเราต้องยกผู้ที่สูงกว่าเหนือกว่าดีกว่ามาเป็นตัวอย่างของพวกเร า, เ อ, าอย่าไปนึกเอาคนที่ตับ ที่ต่ำกว่าร้อยกว่าที่คนไม่ดีออกมาเป็นตัวอย่างเพราะใจของเราชอบไหลทางต่ำชอบไหลลงทางต่ำชุนนั่อยู่แล้วนะถ้าเอาเป็นคนต่ำมาเป็นตัวอย่างเย่งไหลเรี่ยวเร็วไหลลงเร็วเราต้องเอาคนที่ดีมีคุณภาพพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสาวกพระพุทธเจ้ามาเป็นตัวอย่างพวกเราจะได้ตะเกียกตะกายเดินตาม ทำคำสอนของท่านพวกเราจะได้เป็นคนดีในหลักของพุทธศาสนาหลวงพอ่อพูดเกือบทุกวันตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดนนรกสวรรค์มีปณัญญาธรรมอกตังทุกตังเสยโยปัชาตปติทุกตังความชั่วอย่าทําเสเลดีกว่าเพราะกรรมชั่วหรือความชั่วนั้นเมื่อทําไปแล้วตัวเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพอกรรมกรรมชั่วจะเผาผ่าน ทำให้เต่งตัวเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นอย่าทำทำแต่สิ่งที่ดีเมื่อทำสิ่งที่ดีแล้วผลดีจะตามให้พวกเราอยู่ที่ไหนอยู่เย็นเป็นฉุขทั้งนั้นคนทำดีนะรับพรอนุอนมโมทนาให้พร